1>, 1. ปัตตวตะว์สิกขาบทที่หว่าด้วยการให้ซื้อของอย่างหนึ่งแล้วให้ซื้อของอย่างอื่นเรื่องภิกษุณีทุลนันทา753สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีทุลนันทาเป็นไข้ลำดับนั้น อุบาสกคนหนึ่งเข้าไปเยี่ยมภิกษุณีทุลนันทาถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับภิกษุณีทุลนันทาดังนี้ว่าแม่เจ้ายัางสบายดยีหรื อ, อยังพอเป็นอยู่ได้หรือนางตอบว่าท่านดิฉันไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้เขาปวารณาว่าแม่เจ้ากระผมฝากกหาปณะไว้ที่บ้านของเจ้าของร้านค้าชื่อโ น, น้นท่านใช้คนไปนาสิ่งที่ต้องการมาเถิดขอรับ ภิกษุณีทุลันันทาสั่งสิกขามารูปหนึ่งว่าสิกขานาเธอจงไปนําน้ํามันราคาหนึ่งกหาปณะมาจากบ้านของเจ้าของร้านค้าชื่อโน้นลําดับนั้นสิกขานานั้นไปนําน้ํามันราคาหนึ่งกหาปณะมาจากบ้านของเจ้าของร้านค้านั้นแล้วได้ถวายแก่ภิกษุณีทุลันันทาภิกษุณีทุลันันทากล่าวอย่างนี้ว่าเราไม่ต้องการน้ํามันแต่ต้องการเนยใสลําดับนั้น สิกขมานานั้นกลับไปหาเจ้าของร้านค้าคนนั้นถึงที่ร้านครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับเจ้าของร้านค้านั้นดังนี้ว่าแม่เจ้าไม่ต้องการน้ำมันแต่ต้องการเนยใสโปรดรับน้ำมันของท่านคืนไปโปรดให้เนยใสแก่ดิฉันเจ้าของร้านค้าจึงตอบว่าแม่เจ้าถ้าเรารับของที่ขายไปกลับคืนอีกเมื่อไรเราจะขายสินค้าได้ท่านซื้อน้ำมันตามราคาน้ำมันไปแล้ว ท่านเจาน้าในยใสก็จงนําเงินค่าในยใสายมาครั้งนั้นสิกขามานานั้นได้ยืนร้องไห้ภิกษุณีทั้งหลายจึงถามว่าเธอร้องไห้เพราะเหตุไรเธอจึงบอกเรื่องนั้นให้ภิกษุณีทั้งหลายทราบบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตนําหนิประนามโพธ น, นาว่าฉนัยแม่เจ้าทุลันทาจึงสั่งให้ซื้อของอย่างหนึ่งแล้วให้ซื้อของอย่างอื่นเล่า พลันแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุได้นำเรื่องนี้ไปการาบทูลพระภูมิพระภาคให้สงราบ